ทำวัดจบจะพาลูรทำสู่กันไปคนเรามาฝึกนักแก้ไขปรับครุงดัดแปงตัวเองก็วีหลรูปแบบกิจวัตวิธีวัดต่างๆการแก้ไขตนเองการเแินตนด้วยตนเอง การมีสติจะอยู่เป็นสุขขั้งตนเองและคน อ, อืน่นการแก้ไขาตัวเองได้ตัวเองการเตือนตัวด้วยตนเองก็คือสติแล้วพอเราสัมผัสสติคือความรู้สึกความเนลือกได้นะ มันก็เห็นกาเห็นใจเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจเราแล้วก็ได้แค่อะไรที่มันเกิดขึ้นเราแค่เป็นควรู้สึกความเป็นเลได้เราก็เปลี่ยนอู่เสมอปฏิบัติคือเปลี่ยนได้เป็นดี ปฏิบัติคือเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนให้มันดีขึ้นทุกอย่างร่างกายและจิตใจทางการกระทำวารพูดความคิดที่พระเจ้าตัดไว้ที่อัตตันอัตตันทางอาจโจเทวาตาธรรม ตาเสธมัตตาโยธาภิกขุวิหารติสติบังเสธพัตตาโยธาภิกขุวิหารติจงแก่ไขต้นต้นเป็นดิงจงเตือนตนตัวเต็มเต้อจงมีสติที่อยู่เป็นสุนารภิกขุตลอดเพราะนั้นวิธีที่ให้เรื่องนี้สมบูรณ์แบบก็คือว่า ได้เริยนสตินี่แหละถือว่าครบรอบครบรอโลกอ็ดีเราก็ดีกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีสังข์องก็ดีเศรษฐกิจก็ดี มันคบมันคบโลกและหลายอย่างสุภาพก็ดีวัน <c oughs> นี้ก็สองวัน3วันมันก็ไปสรรทำที่ดุดออริลังคองการสปสชสุภาพกายใจ ควาพดีของใจแห่งชาติแห่งชาติตัวยไม่ใช่เราแห่งชาติทีว่ว่าเราเปนคนมีอายุเป็นคนที่มีโรค เบาหว า, น, านนะคนดันนะอาจจะเป็นแบบไหนก็ตามเบาหวานดี้าาดันโลกตายลโลกใจก็ตามถ้าเรามีสตินี่วามรู้จึกตัว น, นมันก็เหนือโลกได้เหมือนรถที่มันมีเครื่องดีเบรกก็ได้ หยุดก็ได้ทุกข์เปิดเทียนบรรทุกน้ำหนักเบาก็ได้หนักก็ได้ถ้าบันดีก็ใช่กางได้ก่อนที่เขาจะสร้างรถขึ้นมาเขาก็ต้องมีสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญที่ สร้างเป็นหลายยี่ห้ออาศัยทางวิทยาศาสตร์อาศัยวิชาความรู้ได้ศึกษากำลัมาสร้างด้วยบางคนที่มีความรู้สร้างสิ่งเป็นกัปปะนันสร้างรู้ระเบิ สร้างจัตตาวุสต่างๆยานสารมาทิ้งระเบิดที่อิลักทำสร้างมูกระเบิด ร, รูถึงสอาางพันเจ็ดร้อยล้านบาทมาทิ้งลงจอกคอจีลึกได้ปเมตรพวกเาสร้างแบบกเ <c oughs> สร้างให้เกิดความขิดจุขจุดยา หมอแทยนาแทเครื่องน่อยเครื่องมือต่างๆที่ทำให้โรคภัยไครเจ็บหนหยลงูกเอามาใช้วัตถุเอาไปใช้กันโลกของมนุษย์ทั้งหลายหายได้รักษาได้ผ่าตัดอะไรต่างเยอะ อย่างก็หายใจไม่ได้เ้าก็เอาท่อมาใส่เข้าไปในปากสอดเข้าไปถึงปอหายใจได้อย่าเขามีคนสร้างทีม่มันเป็นรูปประทับภายนอกก็อเอามาใช้กับรูปประทับภายใจของเราได้กาปฏิบัติธรรมเนี่ย เรามาสร้างงานที่เราทำไดนะ้เราก็ต้องเหมือนกับรถละ่ะมันจะต้องมีการการะทบเ ก, กิดเทือนใช้งานหนักกลางเบาชีวิตของเราอันมากกว่ารถพราก็เจ้าจะเปรียบเทียบไปกับเสรี ล, ล่ะร่างกายเหมือนกับรถยนต์เนะบรกก็คือ ความบอดท่านความบอดกั้นอดทนหยุดทางทางกระทาการพูดการคิดล่อสี่ล่อเหมือนธาตุสี่ไว้ก็เหมือ น, ส, นสติปัญญาแสงสว่างเมื่ออยู่ในที่มืดอริยะจะัมมัลตพูดเยา้าเพือเทียบเทียบเฉลี่ยงินยืน มีแน่นอนเกิดเจ็บเจอบตายในโลกในน้ำนนนกำลังธาตุเจริเสริมความรักธาตุแห่งหงอแลกของชอบใจการไม่สบายกายการไม่สบายใจควา ม, าามาาสศร้หองใจปัญนาจิงใดไม่ไรสิ่งนั้นมันมีอยู่ในจิตของมนุษย์ของคนเราเราก็ต้องมี สิ่งที่รองรับสิ่งเหล่านี้ให้แน่นอนเลยคือธรรมะเอาให้มันเหลือเกิดใจจะต า, ายสาหรา่าจะต้นเน็นทาการพักผ้ากับผมแล้วผมเจ้าใจ ย, ยังก็ทุกมันเป็นวัตถุอันดื่นอันสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลเนีเกิดใจจะต า, าย ทำยังไงเราจึงจะรองรับสิ่งเหล่านี้ได้มันเป็นสิ่งที่รองรับได้มันเพื่อการนี่โดยตรงชีวิตเราเช่นอย่างอพุธเจ้าของเราที่เห็นเทวทูตทั้งสิ่ตั้งแต่ยังเป็นเจ้าป้ายายปลอดพลาดเมืองกระดินกับ รถมานั่งไปรอบหมอก็เห็นคนเกิดเห็นคนแจเห็นคนเจ็บเห็ น, ค น, นคนตายก็เลยถือว่าเป็นการบ้านเอะทำไมถือเาเป็นการบ้านถึงรับผิดชอบเรื่องนี้ดีเลย คิดกับข้อหาจะต้องคิดเรื่องนี้ทําไมคนมีทำไมคนมีแผลทำไมคนมีเจ็บทำไมคนมีตายก็มองตรงกันข้ามเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดมันมีตรงกันข้ามทุกอย่างในโลกเดียร์เมื่อมีแผลก็ต้องมีไม่แผลเมื่อมีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตาย เมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีมทุกข์เป็นคู่กันไปไ้ลอดเลยอันนี้เป็นสัจธรรมยังไม่ทำยังไม่รู้แจ้งแต่ว่าได้คำตอบออกมาแล้วงั่นใจแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้จะแยงหาท่านหร่ตั้งแต่เป็นเจ้าวาชายจนถึงอายุยี่ส้าปี มาคิดเรื่องนี้ อ, อ, อวัวตเพื่อหาคาตอบเพื่อรับผิดชอบต่อพนุษยต่อความน่าราหาคาตอบเรื่องนี้ศึกษาจนหลงทิศหลงทางได้เวลาอยู่หกปีองถนาดเป็นอุคติกันอยู่บุคคล เรียนมาสิบเกตสระจบปาิบเกตสะเรียกว่าอุคติกันอยู่เรียนเก่งสิบเกตสะี่มายิงธ น, นูปันดาบนอกจา ก, กระเจดกฏหมายวัคศาสตร์วิทยศาสตร์อะไรก็ตาม แต่ยังมีอะไรมากมายก็ยังตอบเรื่องนี้ได้วิธีที่ตอบเรื่องนี้ได้คือทรงกำหน <c oughs> เพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยตรง แต่พงว่าไปพ้นกว่านเป็นราวหกปีจนมาเห็นได้คำตอบตอนมาบำเพ็ญทางกษิษแต่กอนทรมานกายการที่บำเพ็ญทางกิจการทรมานกายการเสื่อมนมันก็มีเรื่องว่าก เกี่ยวข้องับกายกับใจมันปรึมันเพื่อนอะไเยอะก็ะมามากระจอาจจะเป็นเพื่อนกับพวกเราที่อยู่อาศัยก็มีประสาทสามฤดูฤดูร้อนอยู่หลังหนึ่งฤดูหนาวอยู่หลังหนึ่งฤดูฝนอยู่หลังหนึ่งมีสาวสนมกำลังในไรดีสีตีเป่าปอง ไ ม, ม, ม, ม, ม่มีประโยชน์เกี่ยวกนมีพระรใชทรัพย์สินเสื่อมคามีอัคราณาธสิมีพระราชโองกมีอะไรเยอะแยะเลยอันมอควางสะดวกไม่ให้เดืดร้อนก็ออกบวดแล้วก็ถอด มงกุฎประดาษเพชรผ้าสีผาทอดรองเท่าบางเรามีเจ้าลังแต่ ย, แตยูแบบศิษยเดี๋ยวเรียกว่า <c oughs> เรียกว่าอรเรียกว่า อ่าเด็กว่าอ่ะนะอ่าไม่หายใจไม่กินข้าวไม่กินน้ำเหล้าทุกขจิยาความเห็นทุกขจียาทรมานใจจนเหลือแต่น่ำ ความผิดป็นครนะูจนมาถึงปีที่6มาความเด็นใต้ต้นสีมหาภูพุทธคยาพวกเราก็ไปเดินตามร่องรอยของพวกนะครับมาแล้วหลายเทอมมีจริงตัวจิตตตัวสถานที่ความเด็นทุกขจีย มีอยู่จริงนายตำรามียังไงไปพิสุจก็เห็นตามกันสถานที่ทางพุทธคดา <c oughs> ไปเห็นแล้วเนี่ยสร้างศรัทธาอย่างล้นเหลือเลยทีจนพูดในใจว่าต่อไปนี้ คำว่าไม่ไหวนี่เราจะไม่พูดแล้วก็ไม่พูดจริงๆเพราะว่าไม่ไหวทำอะไรก็จำแต่ยากลำ บ, บากขนาดไหนเจ็บแค่ใจป่วย ข, ขนาดไหนเพราะว่าไม่ไหวนไม่หมดเนื้อหมตัวพูดออกไปถ้าพูดก็พูดแบบปานย่านใจย่ากพอไปเห็นสถานที่เพราะว่าไม่ไหวน ไม่ได้คิดแล้วเอาทิ้งเลนเลยไปเห็นม่องลอยของพระศาตราของเราภาษาเราอะไรก็ตามแต่ไม่ไหวไม่ไหวเสีแล้วให้มีนั่งใจเป็นสิงสักหน่อยยาวันไหวง่ายกินไปใครเคยเห็นสิงโตบ้างไปดูสวนสัตวตัวจิตัวจิสิงโตที่เขาเลี้ยงไว้ในค้อบ ถ้าใครไปเรียกเสียงโตให้มันมองหน้ า, าได้ไหมไม่มีละ่ะมันก็เดินไปเดินมาล้วจะตกมือแล้วจะมองอะไรตกขวาตกลูกผมมันไม่มองไเลยมันเดินเฉยใจสิงเฉ่ะเฉวบขยาบขยาสัตว์มา ไม่บำไไม่หมองไม่สะดุง้งชีวิตของเราควรวยะเป็นใจสิงยี่ห้าร้อยสิบ็ดสิบแปดหลวงพ่อเป็นหัวหน้าอบรมพระใจสิงสามเรือนตั้งตั้งต้นที่วัดธรรมประทานห้7สิบเจ็ดสิบแป ก็เหลืออยู่หลายตักอยตายไปแล้วคนยังไม่เห็นกันหรอกประมาณเจลดสิบยพระใจฉิงพวกเราก็ไม่ไมต้องอบรมหรอกะนะทำเดี๋ยวนี้แหละใจฉิงยาบันไหวเป็นเรื่องอะไรที่เคยบันไหวก็ยาบันไหวมีสิ่งที่มาเิยมาเพื่อนที่ใจของเราหนามีอยู่ ความรักความังคามไ้ความเสียความีดีกวามมีร้ายมันมีอ ย, ยู่ยาววันแม้มันเกิดขึ้นมีสติเป็นส <c oughs> ิ่งนมีสติรู้จิตตัวรู้สิตัวเออเอาชนะด้วยความคิดเอาชนะด้วยการกระทไม่ใช่คิดเอาชนะด้วยการกระมีสติ อะไรก็การที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราคน อ, อื่นทําให้เราทําเองใอปัจจัยลายที่มันเสียหายที่มันได้มาพัฒไไนาาหสิ่งใดสิ่งนั้นไม่สมความปรารถนาอะไรก็ตามทําให้เราเป็นใจสิงได้ถึงเหแบบนี้เพราะมีสติ มันจะเป็นสิงทั้งทีไม่หวันไหวองค์บำเพ็ญตรงนี้นั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์หน้าบทางที่แต่วันออกเอาเจจลนำบาปของเราพวกเรามีเสลาสุแปดทั้งน้มีไฟผ้ามีพัดลุมในกระดานเพื่นมีเบาะยื มีเพื่อนมีผู้พูดผู้บอกผู้สอนเรายังจะน้อยเนื้อต่าใจจะวันไหวเรื่องอะไรกัไม่วันไหวไม่พูดคำว่าไม่ไหวเนี่ยมีคนพูดแบบที่แล้วจะต้อง่าที่วัดป่าสุตโตยะไปยินที่ไหนก็ได้ยิน คำว่าไม่ไหวนี่หรือคำว่าไม่น่าจะเป็นนั้นไม่น่าจะเป็นนี้ก็ไม่พูดเลยกับจึงอื่นวัตถุมีแต่มีแต่รู้ถ้าจะพูดก็พูดในในเสียงอืม เห็นความอะไรที่เก oh. okay. ิด uh. ท well, you know. <the> ี Oil, <the> ่เราเห็นคนอื่นทำก็เห็นเขาทากับเราเข้าใจเห็นนอรู้นะก็มัอื้อนี่คือเกี้ยงไปแล้วเป็นอยไปแล้วเนี่ยคนมีสติไม่ได้แต่งนี้แต่ก่อนที่อื้ได้แต่ว่าแต่ก่อนที่ไม่เป็นไร คำว่าแต่ก่อนที่จะว่าถึงคำพูดว่าไม่ไหวบุญหยุดภาษาไทยสัตว์นีไม่ต้องฝึกเัวเองได้นะมีจริงจริงก็งมไม่ทุกข์กันความไม่หลง ม, ม, มีจริงจริงแล้วเราก็ทำเอาเฉยมันหลงก็เพื่อให้ไม่หลง วัตถุที่ทำให้ช่วยให้ไม่หลงก็มีกรรมฐานกรรมฐานหรือที่ตั้งเหงียนกายกาท็ทํามีทําได้อยู่วัตถุอุปกรณ์ที่ทํากรรมฐานนี่มีจำลองแหะไม่ต้องไปหาวัตถุภาย น, นอ ก, ร, ก, ร, กรู้ของเราบนโลกสร้างขึ้นมาเนี่ย อันเดียวกันพวกเราอยู่ที่นี่อย่าไปคิดแต่โอ้ยหลวงพ่อเป็นพระพ่อฉันเป็นโยมไม่ได้บวชแต่ทำบาปทาํากรรมมีครอบมีครวมีผัวมีเมียมีลูกมีเจ้าออกมาเลยใชเอามาคิดเรื่องน้นองในรานี้เรามามีจิติจ มีบ้านมีเรืนอนก็ไว้นั่นมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียก็ไว้นั่นมีลูกเปหลานมีจับสินจัดจินการอาไว้นั่นมันได้มามันเสียไปก็ไว้นั่นแลหละเวลานี้มาสร้างสติอยาให้สิงเหล่านั้นหวงกันเป็นผลึกโพดเอาไว้ก่อนมาลูกไว้ก่อนมาลูกไว้ก่อนลูกไว้ก่อนลูกไว้ก่อน เคยเสอนเด็กกันุ่มบานเวลาเป็นพินนนนนลิ่านงมือเชียก่อนร่างมือเชก่อนก่อนจะกินอะไรล่างมือเอาไว้ก่อนไปไ้ก่อรางมือเส็ดก่อนร่างมือเชก่อนนี่ก็เอาไว้ก่อนลูกอ่อลลูกอ่อลลูกบออลกลมล็อกกลมจังอะไก่อนมาลูกมาลูกมารู้เนี่ย มันจะเจริญในทางนี้มันเจริญจริงๆของโลนี่งอกงามจริงๆหน่อโพธิหน่อนี้ไม่ต้องผิดหวังถ้าเรามีสติรู้จิตตัวหวางมัไปในการใจเราเพราะลงไปเพราะลงไปเวลาไหนก็ใระโอาสไม่รู้จิตตัวไม่ใช่เวลา นั่งสร้างจังหวะอยู่บนหัวใจอยู่ที่กติไม่ใช่เดินจะปองอยู่ทางเดินจงครมเวลาไหนก็ได้ความรู้จึกตัวได้เวยโอกาสเป็นนักเสือโอกาสทั้งงอยเป็นนักเือโอกาสอเองดัง้อยมันจะดีมากขึ้น บางคนไปโหบ่อยใ่จะไปปฏิบัติธรรมกัน น, นะวัดป่าสุโตเกียดความเอาจริงๆแลว้วเกียติความบางคนก็กำหนดมาจ่ามัำภาาอยู่วัดป่าสุวิโตสามเดือนถ้าไห่ลูกว่จะสึกไปเลยไปดังใจมาเอาจริงๆไปไม่หลับไม่นอนก็ไปมา่ยงยามเกียรติอออกภาษาสึกจ้อยอย่างนี้ากชิตอย่างนี้นาาจริงๆ ไม่ใช่การเวลาไม่ใช่คำพูดเอาจริงกับรูปแบบเช่นเราจุดธูปถ้าธูปไม่หมดเราจะลุกจากที่นั่งเราเดินยังตงจุดธูปถ้าธูปไม่หมดเราจะไม่นั่งมาสร้างจังหวะจะอ น, นันมาํำหนด เอาอันดื่มากำหนดเอาการกระทำเนี่ยพอมันหลงไปรู้ยิ่งแย่้มอย่างใสเออมันอยู่ตรงนี้จิ๋วตรงนี้มันรู้อยู่ยกเบอกขึ้นมันรู้อยู่มันรู้อยู่โอ้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เอาอันดื่นมากำหนดเอาเอาความผิดนั่นแหละเป็นถูก็ได้มันผิดแล้วรู้ได้ความรู้จากความหลง ได้ความรู้จากความทุกได้ความรู้จากทุกอย่างความรู้ส่วนตัวมันขี้ที่มันเหม็นเหม็ด เ, เป็นขี้แต่มันเป็นอาหารของผู้ตองสติเหมือนกัน hmm. มันได้จากความทุกความยากความมบ่งมังอย่าที่สัตว์สี่รูปที่เจ้าตัดจะรู้ ตอนที่ตัดรูเห็นอะไรเห็นทุกหนเห็นเงินไปเสร์ฟเลยทุกอะไรทุกอะไรก็ได้กันชื่วทุกเห็นหมดเลยแล้วก็เห็น เ, เหตุการณ์ไปเลยไปแล้วก่อนเห็นทุกเป็นเรื่องที่มุมใจมุมอกมุใจถ้เห็นทุเห็นต้นโตของมัน มันคนซ่อมเครื <cream> ่องอิเล็กทรอนิกส์อยูโทรแทสมันเสียไปเขาซ่อมหรือยารดมันบวกอกไปเขาหัยาเขาพอเขาเห็นละเขาก็ยิ้มหรือเครื่องยนต์กลไกมันเสียเขาดูโอ้ยนี่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เจ้าถ้าไม่เห็นก็แจ้งหรือเราเจ็บไข้ไิดตวว หมอที่เจ๋งการดูโรคบอ ก, กไม่ใช่ยากหมอที่เจ๋งดูโรคโรค ก, กันนี้มันเกิดเ ป, เป็นโรคกันรเะมันเขาตรวจหลวงพ่อเวลาป่วยน่ะเขา่าั่วอยู่ที่ตรวจกันอยู่สามวันยังไม่ได้รักษาไะ้รปวดท้องอยู่กับคนห ม, มูน่ะ สามวันแล้วเขาไม่รักษาเขามีแต่พิสูจดูโรคเอากล้องส่องเขาไปรำคล้อง ด, ดูนี่ไปจนมาเจออาะเอาก้อนเนื้อในปอต่อมไทยลอยไปตรวจไม่ใช่โรงพยาบาลมือถือให้คนอื่นตรวจไปจ้างเขา พอตรวจแล้วก็บอกเลยลว่าแนะ่ก้อนเนื้อโตเร็วกันโรค ก, ก้อนเนื้อโตเร็วต้องเพ อ, อเป็นโรค ก, ก็อนเาื้อเร็วเขาบอกให้ยานี่ดูโรค ก, ก่อนให้ยาไม่ใช่ยาพาดียาพาดีก็แต่ถ้าไม่รู้จักว่าโรค ก, ก้อนเนื้อโตเร็วเอายามาให้มาก็ดีไปแบบๆไปมันไม่ใช่ถือว่าชุดยาเห็นทุกอย่ง เราก็เหมือนกันเห็นมันทุกข์เจ้านทุกข์สนุกดีเห็นทุกข์ในที่หนหน้าบูชาเบยิ้มไหสติโอ้หลวงพ่อเยิ้มไห่ไคำว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะจิตใจที่มันคิดเองจะไม่มีอย้ว่ายิ้มเลย ยิ้มได้ตั้งแต่บัดนั้นมาที่ความ ท, ทุกข์เกิดจากความคิดเนี่ยก็สิ้นจบนํนเสีนนนยตีความทุกข์ก็มันเกิ ด, ด, าากดจากความร้อนความหนาวโยนขาดเจ็บป่วยเนี่ยอ้ยเปนไปธรรมดาความทุกข์เกิดจากความคิดเนี่ยเอาแล้วบ่อะอืยิม้มใจนั้นก็ผลดินใส่ใบหน้าจุ่งชืน เอกับอย่างจิงจมันเติดติปักิทมันกโอ้หลวงพ่อเทียนบอกยาแปลว่าสูงนีแปลว่าอะไนอมาพอเห็นก็ให้จบกันหน่อยถ้าสูงก็ไปไม่ก็มีทุกนะพ่อเทียน ดากรบโคกที่จะไปกรบโคกไม่ใช่กบบึงกรบหนองมันได้หน้ามวกได้น้อยมันก็ดีใหญ่ล่องเส้หลังไปเลยหน้ามันมีอยู่ในบึงใ ห, ใหญ่มันไม่ไปอุ้มพ่อเพี้ยนดากรบโคกที่จะไปเล่ า ม, มาเห็นทุกทุกต้องก็จะนับถือนุนให้เกิดปัญญาไปเรื่อยๆเลยจะเห็นทุกอยางจะร่าบูด้านบิกเนะือทุกแบบเ็นยิ้มนั่นเราเห็นงูงงูนี่ยถ้าเราไม่เจอมันก็นเหยียบมันกัด อยู่นี่มีงูจงอางมเห่า <c oughs> งูจงอางงูเขียวหงไม่ที่นี่ที่นะงางเจ้าแต่ว่างูที่ไม่เคยกัดทคคนที่มีความจาบไม่ถูกลิไม่มีกิน่นเหมนข่าเราเนะี่ยูมูลักเรารักปฏิบัติงูลั ก, ล ก, ก, ไ, ลกไม่มีกิน่นพระสงฆ์เปียดร้อง เดินกไม่ทุกทีทุกคนเวลาส่องไปฉายแยแกงนีมสนอยต้รส่ไปทายดินบทีแกงแขมไดก็แกงไปฉายได้ด้วยไม่ดีเลยถ้าไปท้องถ้าไปแล้วหน่งเข้าป่าเข้าดงยาไปส่องส่องไปตทางเดินแวันรักเกงกวางกันรักเสือกนรักช้างกนรัก ชอบเรชาชอบมึงอยู่ตรงนี้เนี่ยที่นอนโน้นแคบได้กินดิพิว้วพิวอาใจมึนงนะพ๊ะชอบเราถ้าใครสนะ่องไปส่องทาไรกินนะเพราะนันคนมีสติทำอะไรเนย มันอยู่โดยชอบจะเจเบพิกกบีทุกสัมมาเหตุยงต่อสุวนโยโลโกหันเตเสียทิศส่วงหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะในว่างจากพระอรหันต์นี่อยู่โดยชอบจะมีความรู้สึกอยูน่ยเอาเลยมาอยู่ที่ไหนก็ มีความเลื่อมใสอยู่อยู่โดยชอบก็แบบบนรถเปรก็อยู่โดยชอบเดินอยู่ตามถนนทางก็อยู่โดยทำงานก็อยู่โดยชอบมันจะยากหรือไงเราถึกว่ามันยากไม่ยากการมาสร้างจะดีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็เห็นแต่ของจริง มันหลก็เป็นของจริงมันจริงแบบไม่จริงความหลงมันทุกข์ก็จริงจริงแบบไม่จริงไม่เที่ยงความหลงความเถี่ยงความทุกข์ก็ไม่เถี่ยงความกไม่เถี่ยนความชังก็ไม่เที่ยงความปูดก็ไม่เที่ยงแต่ลูกที่มันนั่งอยู่เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันไหลไปของมันอยู่ไหลไปอยแล้วันเนี่ยจถึงกี่วกับค ไหลไปไหลไปไหลไปทำไหลไปเท่าไรชีวิตเราจินไปเท่าไั้นการเวลาย่อมคืนจินสรพจิงพร้อมทั้งดวงเต็นเพราะฉะนั้นเพื่อคาดจูงโผเข้าไปสู่เตลเอินเพื่อฆ่าปะหานโผล่ยิงก้าวไปเท่าไรกใกล้ความตายเท่านั้น ชีวิตของเรานี่นเือนกันอย่างอย่าถึงว่าเราได้มาความแจ่เท่าํำเข้ามายั่งยืนย่อมละทิ้งในสิ่งทั้งปวงไปเป็นอย่างนี้ผมจึงอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปยึดมั่นถือมันอะไรมากมายอันนี้ผมฉ้อันนี้ผม นี่ก็ฉันของฉันของฉันภรรยาของฉันสามีของฉันลูกของฉันสมบัติของฉันบ้านเนืนของฉันรถจนรถไปของฉันเครื่องบินของฉันอยาไปของฉันบ้านของานแต่เล่าิธานชาธุให้ฟังฟังนะการสาธฟังเอาจําแลวก็มี มีด้วยนะมีหนังจะไล่นะหลวงพ่อแต่ก่อนก็เจ๋งพอทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่เจ๋งทั้งใช้จไล่ทั้งพูดทั้งเลือกนวนทั้งบรรยายทั้งเอาภาพมาใส่เลษกจินไหลเองกดเดินพูดเดินทำเดงมือไปทำาน่นนี่ก็ทํได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วมันเสื่อมถหมอกันอ่า อะไรเหรอาดกเลยเล่นปะไม่เบื่อมาอยู่นี่พูดตอนตอ น, นี้อันนี้ทางจจดกมีอย่างนี้มีนายผ่านคนนื่แต่ลาจักแต่ลาจักร่วงไัจักรอาหารแต่ละนี่ในป่าดงนั่นมันมี พยาพยาวานอนโพ ธ, ธิสัพ์ไปเห็นว่วงที่นายพรานตักก็เลยกลัวสัตว์อื่นตัวอื่นจะมาติดบ่วงจ้ะ <c oughs> บอกไม่ได้เพราะมันมน่ากลัวพยาวานอนตอนนี้ไปเลยเอาบ่วงมาผูกมาคล้องแอวตัวเองติดบ่วงอยู่มั ก่อนายพานมาพิยาวานนอนก็นั่งเฉยติดห่วงไม่ดินนะไม่ดินเลยแต่ถ้าสัตว์ธรรมดาเนี่ยจะดิน้นปวดใจร้องแต่พระิยาวานอนโพธิสัตว์ไม่ดิ้นเลยนั่งเฉยนายพานก็มาเห็นเหรอเออโชคดีแนะจะฆ่าจะตีให้ตาย พิยาวานอนก็เฉยเลื่อนไม่ตีเราจับแก้เชือกออกจากหลัพยาวานอนก็เดินไปไม่ดึงแต่ซากลากดึงเลยเดินตามคนถอยๆๆยถ อ, อ, อยไปไปบ้านนายพรานก็เห็นพิยาวานอนคือดึงตัวเนี้ยทับไป ม, มันเป็นอย่างนี้เลยจัดข้าวข้าวไม่นก็เลยเอาไปให้ เลี <legend>. <S <S says, ้ยงจ้ะเอาไปฝากพระเจ้าสีเผือกเนยอาจารย์ให้สาัสพระเิชาก็เลี้ยงเลยไม่ได้ผูกไปในขังปล่อยให้อยู่กับเสาถนมกันมาในในพระชวันก็อยู่คอพรยาว์วรอนตัวนี้ก็เลยดูผมนดูนี่ได้ยินแต่คำพูดว่า มีของฉันบัลยาของฉันลูกของฉันสมบัติของฉันบ้านเดิมของฉันไรนาของฉันพี่ยาวาลองได้ยินแต่เรื่องของฉันของฉันของกูของกูของกูของกูพี่ยาวาลองตัวหนึ่งมันรู้จะโลก้ไปงี้น้องังเราสลดใจเราได้ไม่มีของฉันคนไม่ในป่าหากินได้ไม่มีของฉัน ไปอยา ก, ก็ไปกินเออพระราชาเลยเห็นว่าเ อ, อ๊ดิงตัวนี้มันจะไปทีเชียง เ, เ, เลยไม่น่าจะให้มันอยู่ในบ้า น, น, นาไปปล่อยในป่าให้มันอยู่ในป่าก็ก็เลยไปปล่อยปอกธรหมะจะไปปล่อยในป่าพอปล่อยก็บริวารมาเห็นเขา วิ่งมากระลบกาบไปถามเป็นไงพะยาวาโด น, นไปอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นยังไงเล่าให้ฟังด้วยเป็นไงจึงได้กับอยู่ป่าพะยาวานอนก็ยายาเลยยาเลยๆ ย, ย, ยาให้เล่าเรื่องมนุษย์เลยมันไม่น่าฟังเลย อพวกบริวานรน่ารักก็ขอให้พระยามานอนเล่าให้ฟังเถอยากฟังเรื่องมนุษย์ไปอยู่นานเลยเกินนานเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงพยายามฟานก็ไม่อยากพูดเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลหลยบริวารก็ท่ายันทยอเอ้าพูดก็พูดพวกเธอนั่งฟังนะ พูดยงไงเขย่ า, ยา น, นอนอันทองของกูเงินของกูลูกของกูเมียของกูหัวของกูสมบัติของกูยังไม่พูดเป็นวันเลยผมบริบาลเลยทั้งหลายวิง่งหนีเลยไปลงไปน้ำล้างหูกันหลพอมีภาพอะไรเลยเลี้ยงล้างหูป้ยหูกัน ท, ทุกคนมุดไปมุดดีกันขอแล้วข เออนี่นี่เรื่องนิทานกแบบันก็จบเท่านี้กันนี่อ่า่พ